พารันตนาไตคือพระพุทธประชัมปพระสงฆ์ขอกับ น, น, บนามัตสการหลวงพ่อคำเขียนผู้เป็นประธานแล้วก็ครูบาอาจารย์พระเทหลานุเทละหลว ง, งพ่อหลวงพี่ทุกทุกโลกจันเรนพรใน่ีคอุบาสกอุบาสิกาและผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายทุกๆท่านทุกๆ น, นั่งทำสบายวันนี้ก็เป็นวารละที่จะได้พูดอะไรให้ฟังเฉกเร่งๆเพราะเป็นตั้งเข็มตามแนวทางที่เคยได้ปฏิบัติมาไม่มีอะไรมีแต่เรื่องปฏิบัติเท่านั้นแหละพาะก็บวชมาหลายภรษาแล้วยี่สิบ ห้ายี่หกยีบเจ็ดพรรษาเข้าวันนี้ล้วแต่ว่าพวกพื่นภาษาสถาบัานเนี่ก็คือง่ายย่อนที่เขาเ่าเท่าเกิดลายปีไม่ออกความหลุดทุกยางกับสิสูบพวกงานย้มบ่วได้รอกแต่ว่าหั่นเทียวไปว่าสามค้อนเป็นจริงไอ้ฟังพอได้เข้าใจ กติว่ า, เ, าเล่ามาได้ตวท้ายีกครั้จะเป็นว่าว่าผจะควมนำทุกคนเกิดมาในเกิดมาเกิดมาหลวงคุโทษละ่ะเกิดมาแล้วก็ไม่รู้จะกกฎหมายปลทางไม่รู้ว่าจะไปไหนตายไปแล้วไม่จะไปอาศัยอะไรไปหาที่พึ่งที่ไหนก็ยังหาไม่เห็น ถ้าเรามาศึกษาเนี่ยเราจะก็อยจะไม่รู้จักเลยเราค่อยคือเรื่องชีวิตจิตใจของเราเนี่ยไม่มีคนจะมาศึกษากันเกิดมาตั้งแต่น้อยจนโตจนเท่าจนแก่บางคนตายทิ้งไปเฉยไม่รู้เรื่องภาษาของใจเราเลยหลวงอยู่อย่างนั้นแหละ แล้วก็เป็นขนหลงหลงตนลืมตัวหลวงกายลืมใจหลวงปูป่ท่านสอนให้เรามาหาตัวเองให้เห็นเพราะคนเกิดมาเนี่ ย, ย 7, 8, 8, ไม่เคยเห็นเลเกิดมาเนี่ยอายุเจ็ดสิบปีไม่เห็นตัวเองเนี่ยนอว่าเห็นตัวเองเนี่ยไปที่ไหนเดินอยู่เนี่ยทาอยู่ทากินู่เนี่ยใครแล้วก็คิดว่าเป็นของตัวเองแท้ ก็พากันเข้าใจไปแบบนั้นไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายไปที่ไหนก็ตามเเอาไฟมาจอดจุดถ้ามึงถ้าไม่ใช่ของมึงมึงไม่ต้องร้อนเอาไฟมาจุดเอาไฟคุมจุดกันเป็นเด็กน้อยถือแบบนั้นมันติดมาตั้งแต่เล็กๆจนว่าใหญ่โตไปเนี่ยถ้าของเราเนะี่ยมันบอกได้สอนได้ ถ้าไม่ใช่ของเรามันสอนไม่ได้มันบอกไม่ได้หรอกบอกว่าให้แจกก็ไม่ได้บอกว่าให้เจ็บไม่ตายก็ไม่ได้มันบอกไม่ให้เจ็บไม่ปวดก็ไม่ได้เพราะไม่ใช่ของเราเนี่ยเราก็ให้ให้มาหาให้หาเห็นตามความเป็นจริงตั้งแต่ก่อนเนี่ยท่านบอกว่าให้ออกให้หาทุกข์ให้มันเห็น ตั้งแต่ก่อนทุกนี่ไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจว่าทุกขอยู่กับเราเนี่ยว่ามันมันจะออกมาได้เพราะเกิดมาเนี่ยมีแต่ทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราไม่รู้จักนึกว่าตั้งแต่ทุกนั้น่ะไม่มีเงินไม่มีท้องไม่มีเข้ามีของจะอยู่จะกินขาดแคลนไปอย่างนั้นน่ะทุกข์อดอดจากอยากยากลัวแต่ตัวเองจะทุกข์จะจนจะไม่มีอยู่มีกิน มีแต่คิดไปแบบนั้นเลยแต่ความทุกข์ของเราที่ทเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยไม่เคยไม่ไม่เคยมาดูเลยไม่เคยฝึกไม่เคยหัดมีแต่เข้าไปเป็นเนี่ยกลัวเกิดมาแล้วก็กลัวแต่มันแก่แก่เท่าจะเจ็บจะตายไปเนี่นะคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นทุกทุกนี่นึกว่าไม่มีเงินไม่มีทองต่างหากนึกว่ามันจะเป็นแบบนั้น แต่มาเข้ามาปพติปฏิบัติแล้วโอ้ยเรานี้เกิดมาเนี่ยเกิดม า, ดมาสร้างสร้างความทุกข์ให้ตัวเองเรามามาปฏิบัติไปปฏิบัติไปค่อยเข้าใจไปเข้าใจไปโอ้ความทุกข์ของคนนี้ไม่มีใครที่จะมาสร้างให้เราได้เลยมีแล้วสร้างขึ้นมาคนเดียวเราทําคนเดียวเราสร้างคนเดียวกรรมสร้างมาสร้างกรรมให้ตัวเองความทุกข์ความยากความลําบาก ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะ่ะมันเกิดขึ้นจากเราคนเดียวไม่มีใครจะมาทำให้เราทุกเลยเรื่องแรกก็คือความทุกข์มันเกิดขึ้นมาเนี่ยคือความขี้เกียจที่ข้านข อ, ของเรานี่เนยเกิดมาเกิดมาแล้วก็ขี้เกียจอยากไม่อยากทำงานว่ามันเหนื่อยว่ามันร้อนมันหนาวเจ็บปวดไม่อยากไปทำมันจะคิดอยู่อย่างนั้นอยู่ตลอดไป จะไปทำงานมันก็ความง่วงเงาเฮานอนความเบื่อหน่ายความขี้เกียจที่ขั้นความร้อนความเจ็บความปวดความเหนื่อยมันไม่อยากไปทำเลยมันจะได้เฉยเฉยแล้วมันแต่ว่ามันไม่ไปทำแล้วถ้าไม่ไปทำมันอะความจนมันเกิดมาจากไหนมันก็เกิดมาจากความขี้เกียจของเรานั่นแหละเนี่ยคนที่ไม่มีบารมีหลวงปู่ท่านบอกว่าคือความขี้เกียจที่ขั้นเนี่ยเป็นเป็นคนอับพับอับจน ไม่มีบาร ม, มีเกิดขึ้นมาเนี่ยเกิด ข, ขึ้นมาเนี่ยไม่เคยเห็นไม่เคยสร้างคุณงามความดีเลยจะสร้างก็สร้างไม่ได้เพราะมันจนจะไปส ร, สร้างน้ำทำบุญทําทานอะไรก็ไม่มีที่ทจะไม่มีทรัพย์สินอันไรที่จะไปทานด้วยแล้วก็เป็นคนอดๆจากอ ย, าอยู่นั้นถ้าเราไม่ได้กินไม่ได้ทานไม่ได้สร้างน้าทําบุญในเตจที่แรกนี้เราก็จะจนอยู่นั้นตลอดไป แล้วก็ขาดญาติมิตรจะหายพี่น้องไม่อยากคบค้าสมาคมขาดแชนไปทุกอย่างเลยไปหาใครไม่มีคนอยากค้ำจุนอุดหนุนทุกอยากยากเส้นใจก็ไปตามยถากรรมอยู่เยอะนั่นน่ะจนตายไปตายไปก็จะทำบุญไถ่ทานให้กันก็น้อยที่สุดเลยเปะะ้นคนเรานี้ถ้าเราเกิดมาเนี่ย ไม่ได้ทำคุณงามความดีในระยะที่เราเป็นคนเนี่ยเราจะไม่เห็นเลยคุณงามความดีของเราต่อภายภาคข้างหน้าจะไม่เห็นเห็นก็เห็นอดอดากอยากไะนั้นแหละขั่วหน้าวินหน้าคั่วหลังวินหลังทำความเดือดร้อนให้ตัวเองฆ่าตัวเองคือเราเกิดมาในชาตินี้แล้วมันไม่สมบูรณ์พอแล้วมันก็เกิดชาติต่อไปอีกมันก็นับวันนั่นแต่มันจะเป็นไปเรื่อยๆไปเนี่ยครับ เรื่องของจริงทิศซะด้วยอันเนี้ยพวกปู่ท่านสอนว่าต้องสร้างบารมีบารมีของเราเนี่ยอย่างที่เรามาปฏิบัติเนี่มาเพื่อพิปฏิบัติเนี่ยเวลาเราบารมีเราไม่เขินเนี่ยทําเท่าไหร่มันก็ไม่รู้หรอกไม่เข้าใจไม่ถึงระยะมันจะไม่ไม่ไปถึงจาต้องให้ถึงถึงที่มันก่อนเหมือนเราเดินทางเดินทางเนี่ยถ้าเราไปถึง จุดที่หมายไปทางที่เราจะไปที่ไหนน่ไปถึงแล้วนั่นน่ะอันในอันในที่มันเกิดขึ้นอ ย, อยู่ที่ไหนน่ะมันจะเข้าใจมันจะเห็นเองการปฏิบัติธรรมานี่ก็เหมือนกันเราอย่าไปมุ่งอยากได้อะไรเลยให้ดูครูบาอาจารย์ท่านสอนให้เราทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นไปเราก็อย่าไปปฏิเสธอย่าให้อย่า อ, อย่าไปปฏิเสธให้ ให้ลองทำดูทำไปถึงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอยู่ข้างหน้าเรา น, นั่นแหละมันไม่อยู่ไกลหรอกมีกายกับใจของเราให้ดูกายเคลื่อนไหวให้ใจมันรับรู้ไปแต่ว่ากายกับใจเนี่ยให้พยายามให้รู้ให้ให้รู้ให้เห็นจริงๆตัวไหนเป็นกายตัวไหนเป็นใจนี่ต้องให้เห็นได้ ว, ว่าแต่กายกับใจแต่กายกับใจนี่แต่ไม่รู้ว่ากายเป็นอะไรเป็นกายอะไรเป็นใจ ว่าแต่ให้หาคนคนในเเทศขึ้นไปเทศก็บอกว่าให้ดูรูปดูนามแล้วก็มุ่งไปนั่นแหละคิดว่าคนไม่เห็นกายกับใจเนี่ยคืคนบ้าสท่านแหละคูพูดไปงนั้นแหละพอมาถามเท่านนั่นแหละครูบาอาจารย์ท่านเข้าไปถามอะไรยกอยู่เนี่อะไรยกอยู่เนี่ยมือยกมืออยู่คืออะไรเขาเรียกว่าอะไรเท่านี้ก็ตอบไม่ได้เลยก็ว่ามือมือท่านเนี่ยเดินเนี่ยอะไรพาเดินก็ตีนเดินพาเดิน เดินอยู่นี่คืออะไรเขาไม่บอกท่านจะบอกตอาให้ตอบว่าให้รูปอันนี้เป็นรูปอันนี้เป็นนามอยากให้อตอบตอบแบบนี้อันนี้ต่อพระตาบ้านเราเคยว่าอันนี้เป็นกาย น, นี่เป็นใจเท่าเนี้ยก็ยังตอบไม่ได้เลยตั้งเป็นอยู่หกวันเ็ดวันเป็นเดือนสองเดือนจนว่าเป็นปีก็ยังไม่เห็นเลยเห็นรูปเห็นนามเท่าเนี้ยแล้วเราเราอย่าไปไปดูไกลตัวเรา การปฏิบัติธรรมคือกายกับใจของเราสองอย่างเท่านั้นมันแสดงออกมาให้เห็นหมดเลยอันถุกมันก็แสดงมาให้เห็นอันทุกข์มันก็เห็นมาเก็เกิดมาให้ให้เราเห็นดูทั้งอื่นไม่มีหรอกมันเกิดมาให้เราเห็นอยู่แต่เราเราไม่รู้จักแล้วก็ไปเพ่งไปจ้องอยากจะเห็นเป็นให้มันเป็นอย่างนี้อยากให้มันเป็นอย่างนี้นั่นแล้วของที่มันไม่มีมันก็ไม่เห็นเนี่ยสิ่งที่มันมีมันเกิดคือให้เราเห็นอยู่ทุก ทุกคนเลยค ว, ความเหนื่อยมันก็เกิดมาแล้วเห็นความเหนื่อยความล่าความหิวความร้อนความหนาวความเจ็บความปวดเมันก็เกิดขึ้นมาให้เราเห็นนี่ยความชี้เกียจจิคาดมันก็เกิดขึ้นมาให้เราเห็นอยู่คุณบัวนายอะไรทุกอย่างความพุ่งสั้นลำคาญมันก็เจ็บมันก็ออกมาให้เราเห็นหมดมันคิดทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันคิดเรื่องนั้นบ้างคิดเรื่องนี้บ้างสารพัดเรื่องมันจะคิดมันก็เกิดมาเราเห็นอยู่ แต่ว่าเราว่ามันไม่มีอะไรความสับสนวุ่นวายความบุกฟุ่งร่นฟุ่งซ่านลำคาญมันก็เกิดมาให้เราเห็นอยู่บแต่ว่าเราไม่เข้ามันเข้าใจไปไปลึกๆกว่านั้นอีกมันอยากเห็นแต่ว่ามันไม่มีมันจะเห็นได้สมันทิ่งที่มันมีอยู่กับเรานี่แหละมันเกิดให้เราเห็นเห็นแล้วเราก็ให้มีปัญญาแก้ไขมันความขี้เกียจที่ข้านเนี่ยเออมันก็บอกให้เราเราหยุดพักซะหยุดหยุดมันเหนื่อย มันเจ็บมันปวดเม่นก็บอกแล้วบอกเราแล้วเราก็ต้องขยันเข้ามันก็มีท่เนี่ยเราอย่าไปขี้เกียจกับมันมันเห็นมันตอนเราหมดท่านนี่อันดีมันก็สอนอัชั่วมันก็สอนสอนเราในใหเราอดทนต่ออุปสรรคสิ่งที่มันเกิดมาขวางกันคุณงามความดีของเราความง่วงเหงาหอนก็สารพัดต่างเดนมันจะเกิดขึ้นนั่นแหละมันก็เกิดกากกายกับใจของเราที่สองอย่างเท่านนให้ให้เราพยายามดู ดูนะให้เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยให้เห็นกายเป็นกายให้เห็นใจเป็นใจทุกกายทุกใจให้เราเห็นเห็นแล้วก็เราทำไมจริงจะออกจากมันได้ล้วตั้งแต่ก่อนอะไรเกิดขึ้นมาเราเข้าไปเป็นกับมันหมดไปเข้าไปอยู่กับมันไปเป็นกับมันไปเจ็บไปปวดกับมันไปชี้เกียจเจียแค่ไปร้อนไปหนาวกับมันทั้งหมดเลยเบื่อหน่ายมอนเกิดให้เราเห็น ก็เห็นริ่งนี้แหละแต่ว่าถ้าครูคนครูบาอาจารย์มาถามแล้วว่าไม่เห็นเห็นแต่วความก่วเงเอาเานอนความฟุ้งซ่านลำคาญอาจารย์ไม่รู้ว่าเป็นอะไรสับสนวุ่นไวายไปหมดเลยมันก็เกิดอันนั้นแหละเราให้มาไปดูดีแต่เราไม่ไม่เห็นเราไม่รู้เนี่ยเมื่อกายมันตะธรรมะน่ะให้เราพยายามดูวันนี้อ่ะตั้งจนเดินเท่านั่นแหละมีแต่เดินกลับไปกลับมา เดินไปนี่ก็อย่าไปเพ่งอย่าไปจ้องอย่าอยากไปได้อยากอยาไปเห็นมันอะไรเกิดมาก็ให้เราดูเอาดูแล้วก็ปล่อยวางไปอันตัวอาศัยเรานะั่นก็ให้มาอาศัยตัวรู้นี่ตัวเดียวเท่า น, นั่นแหละมาก้าวไปแตละก้าวเนี่ยก็พอเหยียบปั๊บให้รู้จักเลยหยัยบดินปั๊บรู้หยัยบบังขวขากั้งขวาก็รู้ข้างไส้ตกลงไปก็รู้ มันกระทกระทบกับดินแล้ก็ได้รู้จักอยู่ให้รู้เท่านั้นไม่ให้รู้มากให้รู้ไปอย่างเดียวนี่แหละยกมือก็เอามือขึ้นที่ขึ้นก็ให้รู้จักความลงให้รู้จักเอาไปเอามายกขึ้นไปพอยกขึ้นแล้วก็หยุดนิดหนึ่งแล้วก็เอาลงเอาขึ้นนิดหนึ่งหยุดพอมันรู้นี่ก็หยุดนิดหนึ่งเอาลงนี่แหละมันเป็นพักเป็นพักเป็นตอนเป็นตอนไป นหะอาไว้้วว่าให้หลวงปู่ท่านบอกว่าให้ทาเป็นเปราะเป็นเปราะเหมือนลูกโซ่ท่านว่าอย่างนั้นให้มันติดต่อกันไปไม่มีอะไรที่จะเอามีแต่ไปอาศัยนี่แหละว่าอาศัยทำความรู้สึกนี่มันมากๆให้มันเกิดตัวมีตัวสติปัญญาให้มันเป็นมหาสติเกิดขึ้นมาเออไม่ใช่ว่าเราจะมาเรียนเอาเหมือนหนังสือเหมือนเราเรียนหนังสือนะ ไม่ใช่อันนี้เนี่ยทำนี่ทาให้มันเป็นไม่ใช่ว่าให้มันรู้ไปจำเอาไม่ไม่ใช่แบบนั้นคือทำให้มันเกิดขึ้นเฉยเฉยให้มันเป็นเฉยเฉยเนี่ยถ้ามันได้อารมณ์แล้วมันจะค้อยมั่นขยันของมันเองความเีเกียรติค่าทุกคนมันก็มีอยู่กับคนทุกคนนั่นแหละมันก็เหมือนกันทุกคนนั่นแหละคนอื่นก็เหมือนเราเราก็เหมือนคนอื่น มันก็เป็นอยู่นั้นต่างคนต่างนึกว่าตั้งแต่เป็นแต่เราคนเดียวมันไม่ใช่คนอื่นก็เป็นคนเหมือนกันมีแข่งมีขามีตัวมีตนมีร่างกายเหมือนมีรูปมีนามเหมือนกันมันก็ต้องเป็นเหมือนกันกับเรานั่นแหละราะนันให้เราเดินไปเฉยเฉยตั้งใจเดินก็หันให้ยาวยาวแล้วก็ให้มันเป็นกลางกลเดินไปก็อย่าให้มันช้าเกินไปอย่ามันเร็วเกินไปให้มัน รู้สึกรู้สึกรู้สึกไปพอมีคิดขึ้นมาเราอยากเข้าไปอยู่ในความคิดแล้วก็อย่าไปห้ามความคิดให้เข้ามาอยู่กับตัวรู้สึกมาอาศัยตัวรู้สึกนี่พอเราเข้ามาอยู่ตัวรู้สึกนี่ความคิดมันก็หายไปเนี่ยบางทีมันก็ไปติดอยู่ น, น, นานๆมันจึงจะออกไปก็มีก็ช่างมันเราอย่าไปบังคับมันไม่ได้หรอกแต่ว่าเรามาอาศัยตัวรู้สึกนี่แหละมันนานๆหน่อยก็ก็ช่างมันเออ เอาไปเอามาต่อไปมันก็ค่อยชำนิชำนานเข้ามันก็ค่อยห่างออกห่างออกสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็จะสลายไปมันจะเป็นอยู่อย่างนั้นเนี่ยไม่ไม่ใช่เป็นจะเห็นอยากเห็นอย่างนั้นอย่างนี้เกิดขึ้นมาอยากให้มันเป็นให้มันเห็นดูเห็นนามเห็นอะไรเกิดขึ้นมาให้เห็นเป็นตัวเป็นตนเนี่ยมันไม่ไม่ใช่มันไม่มีตัวไม่มีตหนออเนี่ยให้เราเข้าใจ ให้เราเข้าใจมันเป็นอาการ อ, อ, อย่างนามนี้มันก็เป็นอาการเฉยๆเนี่ยอันนี้ก็ส่วนร่างกายของเรานี่ก็รูปนี่ก็มีท่าทั้งสี่รวมกันเนี่ยมันเป็นรุ่นเป็นก้อนขึ้นมาแล้วก็มีความรู้สึก เ, ออเดินเหินไปไหนก็ได้ทำการทำงานได้หมดรู้สึกไปหมดให้เรารู้จากพิจารณา ตัวเองไม่ให้ออกหนียกตัวไปเออมันคิดไปทางไหนก็ตามมันจะไป่ห้ามความคิดตัวเองอ่ะเออให้ว่าแต่ให้มันทันความคิดท่านนั้นแหละถ้ามันทุกข์เราก็ให้รู้จักถ้ามันสุขก็ให้รู้จักเออมันมันเป็นอย่างนั้นเองมันมีอยู่นั่นเองก็เกิดเทาเราเห็นไม่ใช่ของอื่นมันเกิดมาเราเห็นก็คือของที่มันมีอยู่กับเรานั่นแหละมันเกิดมาเราเห็นน่ะ เดี๋ยวค่อยๆเราทําไปทําไปมันจะค่อยเห็น เ, เห็นรูปเห็นนามเห็นรูปทำเห็นนามทำรูปทำนามทำร่างกายกับใจของเราเนี่ยการทําการทํางานเพียงจริ่งดิงตัวเคลื่อนไหวไปมาเนี่ยก็มีทั้งรูปกับนามทั้งนั้นแหละคนหนึ่งก็รู้คนหนึ่งก็เคลื่อนไหวให้เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นรุ่มดนเป็นก้อนอยู่อันหนึ่งอันหนึ่งนั้นเป็นอาการเฉยๆ เนีมื่อก็ให้เราพิจารณาเอามันก็เป็นอยู่อย่างนั้นไม่ที่ไม่ใช่อันอื่นมันเกิดมาเราเห็นก็สิ่งที่อยู่กับเราเนี่ยมันเกิดมาเราเห็นนะเห็นแล้วเราก็อย่าไปติดว่าอันนั้นดีอันนี้ไม่ดีมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติมันเป็นอยู่นี่อะไรมันก็มันก็เกิดขึ้นมาเราเห็นอยู่นี่แหละแต่ว่าเรามันไปเข้าไปเป็นกับเขาไปอยู่กับเขาเมื่อก็เกินทุกข์เป็นสุขอยู่อย่างนั้น ถ้าเรารู้จักออกจากปวดจัก่อยจากวางไปมันก็ค่อยค่อยหนีไปเนี่ยเอาไปเอามาเมื่อไหค่อยเห็นค่อยเห็นสิ่งนั้นเข้าสิ่งนี้เข้าเห็นรูปเห็นนามเห็นรูปทำนามทมเห็นรูปโลกนามโลกรูปสมมุตินามสมมุติเห็นทุกขังอนิจจังอนัตตามันค่อยเห็นไปเห็นไปเห็นไปก็เห็นศาสนาพุทธศาสนาเนี่ย เราค่อยเข้าใจไปเข้าใจไปแล้วเราก็ทำความเพียรอย่างนี้แหละส่วนสิ่งที่มันเกิดมันถึงค่อยรู้ของมันเองไปเห็นสมมุช์เห็นบาปเห็นบุญเห็นศาสนาพุทธศาสนาเห็นแะ้วมันค่อยๆเป็นของมันไปมันเข้าใจของมันเองเนี่ย ตัวอัตติตัวปัญญาของเราจะแท้ตัวพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนไม่ให้ตั้งแต่ก่อนหลวงพ่อก็ไม่เคยได้ยินดอกได้ยินแต่พระท่านมาเทศให้ฟังเทศเนี่ยกว่ทาท่านก็เอากระดาษมาเทศให้ฟังอ่านให้ฟังแล้วก็พากันฟังไปอย่างนั้นแหละเอาพุทธศาสนาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พอมาม า, ม า, มาเข้ามาประพฤติปฏิบัติเนี่ย มันจะค่อยเข้าใจเข้าใจในชีวิตจิตใจของเราเนี่ยโอ้คนเราเนี่ยถ้าไม่มาเห็นสึงนี้ก็เกิดมาเล่นเนี่ยตั้งแต่ก่อนเคยปฏิบัติมาปฏิบัติมานี่ไม่เข้าใจจริงจริงเอไปเข้าผัดรรหนอก็เคยไปไปเข้าพุทโธก็เคยไป แต่ว่าไม่ไม่รู้จักไม่รู้จักธรรมะพอมาครูบาอาจารย์ท่านมาถามวันนี้เป็นไงหลองพ่ออ้อนลุงตั้งแต่ก่อนเป็นโยมมาเคยไปปฏิบัติโอ้ก็เห็นแสงไฟเห็นแสงเห็นลูกแก้วลอยมาบางทีก็เห็นซากศพมันลอยมาไปกระดูกที่โคงอะไรมันลอยมาก็พูดให้กันฟัง บางทีก็นั่งอยู่ก็เนี่ยมันก็เบาต้นเบาโตมันก็ลอยขึ้นลอยขึ้นกรอบัวตัวเองมันจะตกลงว่าลืนตาดูก็ไม่เห็นมันมนอะไรมันก็เห็นแต่มันนั่งเฉยแต่ดวมันปรากฏขึ้นว่ามันลอยขึ้นไปเรียกมือหรือตามาก็ไม่เห็นนี่พอมาเห็นหลวงปู่เนี่ยท่านมาสอนเนี่ยให้มาดูตัวเองเนี่ยอันนั้นมันผิดหมดเลย ถามแล้วว่าได้ขั้นนั้นขั้นนี้ครูบาอาจารย์ท่านมาสอนตอบอารมณ์ให้แต่ว่าตัวเองไม่รู้จักแต่คนอื่นมารู้ให้หลวงปู่ว่ามันต้องเห็นด้วยตนเองอะไรเกิดขึ้นมาเห็นด้วยตนเองมันจึงจะเป็นของจริงอันนั้นไม่ใช่พากันเพื่อเพื่อฝันไปไปอย่างนั้นแหละตั้งต่กรอนอเคยปฏิบัติปฏิบัติบัดมาเห็นชีวิตจิตใจของเราเนี่ย มันคิดออกไปทางนอกเราไปเนี่ยมันร้อยแปดพันประการเอาต้งแต่มันจะคิดไปเรื่องใดอบางทีก็ไปเห็นคู่อลัลีเคยตีเคยฆ่ากันเนี่ยก็ไปเห็นก็ยังโมโหยังโกรธก็ให้กันด้วยยังอดสาพยายามาจะไปฆ่าไรืตีกันอีกเลยมันก็โมโหความโกรธมันยังไม่หลุดออกจากจิตใจเลย มามามาปฏิบัติสายสายนี่มันมันเข้าใจดีเข้าใจดีรู้จากรูปด้วยจากนามู้จักความคิดเห็นความคิดออดีตเรื่องอดีตเรื่งแต่ก่อนเคยเป็นเด็กน้อยเคยตีเคยฆ่ากันเอมันก็คิดไปเห็นไปเห็นแล้วก็ยังไม่อดโมโหเลยยังไม่หยุดหยุดโมโหยังไม่ไม่ไม่หยุดเลยยังโมโหยังโกรธอยู่ยังจองเวียนจองกรรมยังขู่กรรมกันอยู่ยังไม่หลุดออกจากกันได้เลยยัง มันมันก็เป็นอยู่นั่นแหละเนี่ยถ้าเราไม่มาทำแบบนี้มาเห็นแบบนี้เราจะไม่แก้แก้ตัวไม้ตกเลยเราเกิดมานี้มาสร้างนะครับมาสร้างพบสร้างชาติให้ตัวเองเนี่ยมาสร้างคื อ, อสร้างพพสร้างชาติเนี่ยก็ไม่ใช่อื่นไกลแต่ก่อนเราไม่รู้จักวันนี้มันเรารู้จักเราคือความคิดของเราน่นแหละคิดเห็นอดีตบ้างเห็นอนาคต บ, บ้าง ตาและพัดตั้งแต่มันจะคิดคิดเห็นเลี่ยงนั่นคิดเห็นเรื่องนี้นเลีเยเ่ยงตั้งแต่เป็นเด็ก น, น้อยตั้งแต่เข้าโรงเรียนดูนั่นตีกันเคยโชกเคยต่อยกันมาก็ยังอดสาไปโมโหเคยไปเคียบไปขวดให้ขอเนี่ยจนกระทั่งกันใหญ่เป็นบ่าวเป็นอะไรมาเคยทะเลาะกับใครเคยไปตีคนนั้นคนนี้ก็ยังโกรธอยู่ยังไม่หายโกรธได้เลยจึ่งเรานี่ถ้าเราไม่เอาออกได้จากในระยะที่เราเป็นคนอยู่เนี่ย มันก็สร้างกรรมขหงตัวเองนั่นแหละไปผูกมัดให้ตัวเองไม่หนีไม่หนีหนจากภบจากชาตินี่เขาเรียกว่ามามามาสร้างครบสร้างชาติให้ตัวเองไม่หุจ่จักปวดจักปล่อยไม่ได้อยะผ่อนพันให้กันเลยโอ้คนเหล่านี้ถ้าเราไม่ได้มาหาได้มาถอดมาถอนออกตอนระยะที่เราไป็นคนเนี้ยนะเราเกิดมาสร้างกรรมแทๆ้ๆสร้างความทุกข์ ให้ตัวเองจองเวรจองกรรมกันของทั้งหมดที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยครับมันไม่ใช่ว่ามันจะเลือกกันไปมันจะหายไปเฉยๆนะมันต้องเราเทาทาอันไดไว้อันอันใดไว้มื่ก็ต้องเป็นตุ บ, บัิของเราที่เราจะไปต่อไปคอยไปไ ป, ไปทดแทนเขาจนหมดนั่นแหละมันเลือกกันไปเฉยๆไม่ได้หรอกเราอย่ า, อ ย, า, อ, ยา อ, อย่าอย่าเลยครับอย่าอย่ไปเอาโทษโกรธเชียงกัน ให้ปลดให้ปล่อยให้ละให้วางไปซะในชาตินี้แหละถ้าเราไม่มาเข้ามาปฏิบัติแบบนี้เราจะไม่เห็นเลยสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเราเห็นน่ะนั่นแหละครับตัวบาปทําชั่วมันก็บาปทําชั่วน้อยมันก็บาปน้อยทําชั่วมากมันก็บาปมากเนี่ยความบาปนี่คือความเครียดความโมโหความความชั่วเราทั้งหมดนั่นแหละเป็นบาปทั้งหมดเลยเนี่ยใครว่ามันมีจริงๆเลยน้องพ่อแล้วอันบาปเนี่ย โว้ยทำไมจะไม่เห็นเรามานี่ครับเรามาเดินจงกรมเนี่ยเราคิดเห็จสิงนั้นคิดเห็นสิ่งนี้เราโมโหเราโกรธตั้งแต่ครั้งเป็นเด็กน้อยโน่นน่ะเนี่ยเนี่ยนี่ครับบาปาแล้วบาปเขามาแล้วนี่แหละตัวบาปมันไม่มันไม่มีมันจะไปไหนตัวจองกรรมจองเวรกันเนี่ยนี่แหละครับมันออกมาได้มันเป็นเขาเรียกว่าอุปทานความยึดมัน่นถือมัน่นถ้าเราออกไม่ได้เลยมันจะ เป็นกรรมอยู่นั่นแหละเป็นมนต์ดกที่เราจะไปคลองอยู่ข้างหน้าอีกแหละมันเปลี่ยนกันรับเปลี่ยนกันลูกเปลี่ยนกันต้องร่างต้องผานไม่มีทางหยุดทางหย่อนครับนี่มันมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพวกเรามาเนี่ยบุญนะครับเนี่ยคนมาเข้ามานี่ต้องรู้จักบุญแท้ครับยกมือขึ้นรู้จักเลยผมเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมรู้จักตอนที่ผมมายกมือเออยกมือนี่ เราจะสบายใจยกไปเอามือไปยกมือไปเอามือมายกขึ้นยกลงเอาขึ้นเอาลงเอาเบื้องข้างหน้าข้างหลังเอาตั้งแต่เราจะทำไปดูมันไปเห็นมันไปรู้จักมันไปจิตใจของเรามันเป็นปกติสบายใจสบายใจจิตใจของเราไม่หวั่นไหวต่ออะไรทั้งหมดเลยมันมีที่พึ่งมันมีที่อาศัย ก็รู้ตัเนี่ยคือบ้านของเขาของเราเอาของเขานี่ยก็คือร่างกายได้แหละครับบ้านของใจเป็นที่พักที่อาศัยของใจเนี่ยถ้าเราเดินไปนานๆนะครับเรายกมือถ้านเหนื่อยเราก็เราก็สร้างจังหวะเดินจงกรมไปเปลี่ยนอิเล็กตมันเล่ยๆติดต่อกันไปนะครับจิตใจของเรานะ่ยมันจะไม่คิดออกไปข้างไหนเลยมันจะอยู่กับการเคลื่อนไหว ถ้าอยู่กับการเคลื่อนไหวนี้จิตใจห้องแล้วจะปลอดโปร่งจะโล่งจะสบายไม่รักไม่ชั้งไม่เกียจไม่ขั้นไม่เอไปผูกเวียนจองกรรมกับคนนั้นคนนี้เนี่ยครับมันมีที่พึ่งมันมีที่อาศัยจิตใจของเราเนะี่ยมันจะปลอดกโปร่งมันจะโล่งมันจะสบายการเดินเนื้อชืมันก็จะเบาเนื้อเบาตัวของเราไปเพราะว่ามันมีที่พักครับแต่ก่อนนั้นนะมันหาพบเกิดคนเราเนี่ยอยู่เฉยเฉยไม่ได้ครับ ก็หาพบเกิดพบเกิดก็คือความคิดของเราเนี่ครับเดินไปไหนมาไหนนั่นอนะ่ะมันไปเดินไปเฉยๆดอกมันจะคิดเรื่องนั่นบ้างคิดเรื่องนี้บ้างเรื่องอนาคตบ้างเรื่อง อ, อ, อดีตบ้างสารพัดอันใะมันจะเกิดมันคิดอยู่นั่นน่ครับบางทีก็ดีใจบ้างบางทีก็เสียใจบ้างบางทีก็อยากเกิดความประคัดพรายบาทเกิดขึ้นสารพัดนมันจะเกิดขึ้นไป ไปแล้วก็ไปยึดมัน่นถือมันเองไม่ปล่อยไม่ละไม่วางมันมันก็ยิ่งไปผูกผูกโกรธให้ตัวเองอยู่อย่างนั้นเนี่ยเนี่ยครับนี่นผมว่ามาเนี่ยมาตัดกรรมตัดเวรครับมาตัดกรรมตัเวรนะจังต่ก่อนเราเคยําชั่วเราจะเห็นบาปบุญคุณโทษเราจะเห็นเลยมาอยู่ที่นี่มันจะเกิดขึ้นให้เราเห็น มันจะไปอาฆาตพยาบาทกับใครจะทำข้อติ่งชั่วถึงไหนเราจะไปเห็นเห็นเราตัดออกไปเลยครับเราไม่เห็นม่เราไม่ทําอีกแล้วนั่นนะ่ะเนี่ยตัดตัดออกไปแล้ววันนี้มันคิดออกไปจะอาฆาตพยาบาทคนเนี้ยเราจะตัดออกไปเลยเราจะไม่คิดอีกต่อไปเนี่ยพอมาโยกตอนรู้สึกเนี่ยมันจะออกหนีไปเลยครับมันจะหาดขาดไปเลยความคิดเราเนี่ยเนี่ยตอนที่ผมไปเข้าใจอันหนึ่ง เข้าใจตอนที่กับหนึ่งกันหนึ่งเนี่ยเป็นสังสรารวัตรหรือว่าอันนี้แหละที่เราเคยทำมาแต่เก่าแต่ก่อนแล้วว่ามันเป็นกรรมหนักกรรมหนามันเวียนว่ย้ยวนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารเนี่ยไม่รู้จากจบไม่ดูจากสิ้นเนี่ยก็คือความคิดของเรานี่แหละครับพอมาเข้าใจพอเห็นความคิดตั้นนั่นแหละ ที่แรกนี่ก็ไปมันก็ไปติดอยู่ความคิดนั้นน่ะมันก็วันหนึ่งคิดมันติดต่อกันออกจบเรื่องนี้มันก็ไปเอาเรื่องนั้นมาคิดอีกออกจากเรื่องนั้นก็ไปเอาเรื่องนั้นอีกเพลิดเพลินไปกับมันไปกว่าเราจะไปเห็นมันนี่ครับก็ต้องเป็นเวลาครึ่งวันก็มีบางวันน่ะไปเห็นน่ะโอ้อันนี้พอเห็นลายที่เขาตีขึ้นมาพอเห็นมันเมี่ย นานมาเนี่ยพอเห็นปั๊บมันก็ขาดออกเห็นปั๊บมันขาดออกเออเพราะว่าอ้านี่คิดในโอ้อันนี้เด็กกรรมเออกรรมอันนี้มันมันมาสร้างกรรมสร้างเวรให้ตัวเองเนี่ยคือความคิดนี่เด้เนี่ยพอมันหลุดออกหลุดออกหลุดออกไปนะนั่นนะตัดออกไปแล้วตัดกรรมตัดเวรออกแล้วนั่นแหละครับแล้วก็มาดูตัวเองดูตัวเองเด็กอู้อันนี้กลับกลับหนึ่งตัว กันหนึ่งมันยืนอยู่นี่มันท่องเที่ยวในวัดจตุสารเนี่ยไม่รู้จักจบไม่จากสิ้นเนี่ยบัดนี้มันกลับขึ้นมาแล้วเนี่ยกลับขึ้นมาแล้วเราไม่เราไม่ไปอีกแล้วเราไม่สร้างอีกแล้วเราหยุดแล้วเนี่ยผมว่ามันมาตัดกรรมตัดเวรให้ตัวเองได้แท้อันนี้มาเห็นอันนี้แหละไม่กล้าทำชั่วอีกต่อไปจะไม่เห็นจะไม่ทาอีกเลยอันนี้แต่นอนฝันไปมันก็ไม่เอาครับมันก็เอาไม่ได้ พอเห็นแล้วมันใจมันอ่อนก็เลยเลยไม่ไม่ทำเนี่ยถ้าเราไม่มาปฏิบัติแบบนี้เราจะไม่เห็นพอเห็นแล้วเนี่ยครับพอเราออกจากความคิดได้ใจของเรามันจะเบามันจะสบายใจมันเกี่เดินจงกรมไปเราก็เห็นความรู้สึกเนี่ยเป็นมีที่พึ่งมีที่อาศัยของเรา เนี่ยเห็นตัวบุญแท้ตัวบุญเกิดขึ้นจากจริงเลยครับตัวรู้เนี่ยตัวรู้ตัวเดียวเนี่ยออยู่กับตัวนี้เนาะมน่าอัศจรรย์ที่พึ่งของเราตั้งแต่ก่อนเราไม่เห็นพอไม่เห็นเนี่ยเนี่ยมันจะมีที่พึ่งที่อาศัยจิตใจของเราปลอดโปร่งโล่งสบายเนี่ยไม่อยากอยากทำเข็นกับคนอื่นเลยไม่อยากให้เขาไม่อยากดูถูกนินทาคนอื่นไม่อยากว่า ไม่อยากไปด่าไม่อยากไปว่าคนอื่นเนี่ยจะทําอะไรเนี่ยก็ต้องดูใจตัวเองก่อนถ้ามันผิดใจคนอื่นมาคนอื่นมาทําเราแบบนี้เราจะเป็นยังไงเราจะเสียใจไหมนี่เราจะไม่เบียดเบียนคนตนและคนอื่นแล้วเราจะทําแต่คุณงามความดีได้เรื่อยๆไปนั่นแหละให้เราพยายามมาทําช่วยกันครับนี่พุทธศาสนาเรา สอนแบบนี้ครับสอนมาให้คนไปอิจฉาไปพยาบาทไปปองร่างปองจองผ่านกันให้อโหสิให้ อ, หอภัยซึ่งกันและกันเนี่ยครับถ้าพัน์อย่างนี้นะ่ะไม่มีใครจะอิจฉากันหรอกถ้ากันเป็นเป็นอย่างเนี้ยนี่แหละให้ชิดบึ้งให้ดูดีๆมาเป็นร้อยร้อยสองร้อยสามร้ยี่รอยห้าร้อ ย, อยหรือจากพันก็ตามครับไม่เคยเอาตำรวจมารักษางานอันเนี้ย ไม่มีฉศกชกรักขโมยไม่มีใครอิจฉาพยาบาทกันมีเแต่ถือว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องอันเดียวกันเลาะกันเหมือนพี่ไป็น้องกันจริงจริงเนี่ยนั่นแหละนี่แหละตัวบุญครับนี่แหละมาเนี่ยก็เป็นพระหมดทุกคนนะครับรักสิ่งรักของกันก็ไม่มีไปไปว่าไปด่ากันก็ไม่มีพูดอะไรอะไรเงี้ยก็ฟัง เออคนหนึ่งพูดแล้วก็แล้วไปพูดแล้วก็แล้วไปเนี่ยเขานา้ำซ้ำปาเขาไม่ได้ไปหาที่อื่นถึงเวลามันมีเอียงเกิดขึ้นมาเองเออมันมันจะเป็นอยู่นี้ครับบ้านพักที่หลับที่นอนเออมีไม่เราเราไม่ต้องไปหายากเตรียมไว้พร้อมมาเลยนี่แหละเทวดาง่ายๆบัเทวดาจะไปหาเอาที่ไหนนี่แหละครับมาสนะัมาอยู่นี่ น้องพ่อเข้าใจแบบนี้เนอจะไม่ออกนิยตที่นี่เลยบวชนี่ก็จะไม่ศึกอีกน้องพ่อถ้าศึกไปนะ่ผมคิดเห็นแล้วตัวเองอ่ะเป็นเป็นเป็นสัตว์นรกมาแล้วเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์ในดนชานเป็นเปตเป็นอสุรกายน้องพ่อเป็นมาหมดแล้วหน้าตาเป็นคนแต่จิตใจมันอยากไปปองไรเพราะนั้นปองไรคนนี้อยากอิจฉาเพราะนั้นคนนี้อยากได้ของเขามาเป็นของตัวเอง โศกลักกระโมยท้าสารพันตั้งแต่มันจะเป็ี่ยนไปอิจฉาคนนั้นคนนี้ไปหาช่อคงสารพัดตั้งแต่มันจะเป็นร้อยแปดพันมรการมีแต่ตัวผีนั้นครับเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นผีก็มีเป็นเทวดาเป็นเปตเป็นจันนรกอสุรกายก็มีแต่หน้าตาเป็นคนจิตใจมันเป็นให้เข้าใจอย่างนี้ครับนี่เราพ่อไปไม่ได้เพราะถ้าถึกออกไปแล้วก็จะไปเข้าหมู่อีกมาหมู่อยู่ด้วยกันนอะ คนเนี่ยหมดโลกเนี่ยมันมันมันจะเอาดีหมดไปได้หรอกมันเหล็กหลายก่อถ่านทุกวันเนี่ยจะไปซุปให้มันดีหมดทุกคนไม่ก้องซุปไม่ได้เพราะว่าอันเหล็กที่จะเอาไปซุปเนี่ยถ่านมันมีน้อยแล้วก็เหล็กมันมันไหลมันทับถมหมดแล้วก็เลยไม่รอดไม่รอดให้มันก็ไม่ถ้าไม่รอดล้วก็ตีซุปซุปไม่ได้ มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้เรานี่แหละทางออกครับทางออกจากทุกข์ถ้าเรามาไปทําแบบนี้เราจะเห็นเข้าใจตัวเองมันจะถอดจะถอนทิฏฐะบอานความอทมไมนาทมิดอะไรนัอ่ะความความเบียดมัน่นถือมัน่นความมีมานะทิฏฐิถือเนื้อถืเนอเนื้อถื อ, อตัว อะไรทุกอย่างทุกอย่างอย่างนั้นมันจะออกมาหมดมันจะหลุดออกมันจะไม่มีให้เราออกมาซะมามาปฏิบัติแบบนี้นะเออมีแบบ ม, ม, มีทางอย่างเดียวนะออกออกได้อะโยมค่าฟันรันแทงกันจองเวรจองกรรมกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแน่มนหนมีอย่างเดียวที่ออกได้อะคือธรรมทําแบบนี้เออ นี่ถ้าอย่างพวกหลวงพ่อเนี่ยถ้าเราไปทําเขาไว้แล้วนะเขาจะมาฆ่าแทนเนี่ยสุดแล้วแต่เขายัมาฆ่าอ่ะเออต่อไปก็อยากให้มีเวรมีกรรมอีกต่อไปสิ่งที่มันเป็นไปแล้วนั่นอ่ะจะเหตุจกทํายังไงก็ทําไปเถอะไม่หนีอีกทุดด้วยอสุดแล้วแต่เขายัมาฆ่า ่ให้เราเราคิดแบบนั้นถ้าเราไม่ทําแบบนั้นมันก็จะไม่พ้นกรรมพ้นเวรเกิดชาติใดก็จะไปปองฆ่ากันแต่ทำเป็นความอันโมโหโโธใส่กันแล้วก็ไม่ไม่มีความสงบให้พยายามหลวงพ่อนี่กลัวกลัวแทะแต่อยู่อยู่อย่างนี้นะ่ะไปจนจนตายนะ่ะค่อยมาอยู่อาศัยหลวงพ่ออยู่นี่ก็พอมาอาศัย จะมาตายขอตายกับท่านเท่านะัตายอยู่ที่นี้ว่าจะไม่หนีจากนี้นะครัะหลวงพ่อพูดมาเดียวว่าถมก่อใจเวลายข อ, อยุติเพียงเทนีเอวังกมมีโวยวากาะะนัเทนีแล